คอลัมน์เขียนคนให้เป็นเทวดาตอนที่5โดยดังตรินวิธีจัดระเบียบเนื้อหาโครงสร้างของเรื่องราวที่คุณจะเขียนนั้นไม่ว่าจะเป็นบทความสั้นหรือหนังสือเป็นเล่มๆต่างก็มีความเหมือนกันอยู่ประการหนึ่งคือมีช่วงต้นช่วงกลางและช่วงสรุปท้ายจะมีก็เพียงวิธีเล่าเรื่องแบบนิยายที่ต้องการล่อความสนใจเอาบางส่วนของช่วงท้ายมาเป็นจุดเริ่มต้น เพื่อให้เกิดการรอคอยว่าพอถึงตรงนั้นจริงเหตุการณ์จะคลี่คลายไปอย่างไรแต่แม้จะใช้วิธีเล่าเช่นนั้นอย่างไรก็ต้องวกกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเพื่อให้คนอ่านมองเห็นที่มาที่ไปอยู่ดีแม้ข้อมูลความรู้และสำนวนของคุณเป็นเลิศแต่อ่อนเชิงในการลำดับเรื่องงานเขียนของคุณก็ไม่พ้นโดนบน่นว่าอ่านแล้วสับสนจับต้นชนปลายไม่ค่อยติด รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอะไรทําให้นักเขียนลำดับเรื่องไม่ได้ดีคำตอบง่ายๆคือระบบความคิดที่ขาดระเบียบและไม่เฉพาะนักเขียนนะครับคนเราส่วนใหญ่เป็นพวกขาดระบบความคิดที่เป็นระเบียบกันเกือบทั้งนั้นคุณเคยรู้สึกบ่อยแค่ไหนว่ารู้เรื่องดีหมดแล้วแต่ไม่ทราบจะเริ่มพูดยังไร ที่อัดอั้นตันใจมากๆก็สารภาพให้คนฟังรับรู้เลยด้วยซ้ำว่าคุณเริ่มไม่ถูกไม่รู้จะตั้งต้นจากตรงไหนก่อนปัญหาเนี้ยจะถูกขจัดไปโดยเร็วเพียงคุณฝึกมองไปที่รากของความคิดเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งๆให้เป็นผมยกตัวอย่างแล้วในบทก่อนว่าได้ชื่อนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านมาอย่างไรก็จะขอใช้ชื่อนังสือเล่มนี้เป็นการสาทก นอกจากนั้นจะแนะนำให้คุณรู้จักกับเครื่องมือของนักเขียนชิ้นหนึ่งซึ่งตัวผมเองใช้จริงอยู่ทุกวันเครื่องมือที่ว่าคือ TreePad คุณสามารถดานวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีเดี๋ยวนี้จากเว็บไซต์ treepad.com/slash/download tr-e-p-a-d.com/slash/download โดยเลือก TreePad Asia หากเลือกเวอร์ชั่นอื่น อาจมีปัญหาภาษาไทยผมใช้ dangtrin.com เป็นทางเลือกในการดาวน์โหลดให้ด้วยโดยจะเป็นเวอร์ชัน 3.0 ถ้าอยากได้ใหม่กว่านั้นต้องไปเอาที่ไซต์แม่นะครับแม้คุณจะไม่ชำนาญคอมพิวเตอร์และไม่อยากใช้ทรี p a ดผมก็อาศัยทรี p a ดในการสาธิตวิธีคิดโครงสร้างหนังสือเป็นขั้นๆ ซึ่งเมื่อได้ไอเดียชัดเจนแล้วคุณก็จะนำไปประยุกต์ใช้กับวิธีคิดโครงสร้างเรื่องสั้นเรื่องยาวต่างๆได้เองเมื่อติดตั้ง TreePad เสร็จ แ, แล้วเรียกโปรแกรมขึ้นมาใช้ให้คลิกปุ่ม New คุณจะเห็นช่องว่าง New Node เกิดขึ้นมารอให้เขียนอะไรลงไปให้คิดว่าหน่วยแรกที่จะใส่ลงไปคือรากความคิดอันเป็นจุดเริ่มต้นแรกสุดของเรื่องซึ่งในที่นี้เรื่องของผมก็คือ เสียดายคนตายไม่ได้อ่านเมื่อเขียนเสร็จก็เคาะ enter เป็นอันได้กำหนดรากความคิดเริ่มต้นเรียบร้อยคุณคงเห็นความสำคัญของชื่อหนังสือหรือชื่อบทความมากขึ้นถ้ายังคิดไม่ออกก็ขอให้ตั้งไ ว, มว้มั่วๆก่อนได้พอเขียนเสร็จอาจค่อยเกิดไอเดียแวบขึ้นมาค่อยเปลี่ยนใหม่อย่างทันสำหรับ tree pad ไม่อยากเปลี่ยนชื่อโน้ตใดๆให้คลิกที่โน้ตนั้น และคลิกเมนู Edit และเลือก Edit Node Name หรือง่ายกว่านั้นคือคลิกชื่อโนโดที่ต้องการสองครั้งเมื่อได้โนโดแม่เป็นชื่อเรื่องแล้วสิ่งที่ต้องการคือหัวข้อย่อยหรือบทต่างๆของเรื่องซึ่งสำหรับซอฟต์แวร์เช่น TreePad จะมองเป็นโนโดรูปวิธีสร้างโนโดรูปคือคลิกที่โนโดแม่และคลิกปุ่ม Add Child Node สิ่งแรกที่ควรมีในหนังสือทุกเล่มคือคานา ก็เขียนทับ New Node ลงไปเป็นอันดับแรกจากนั้นก็เข้าสู่เนื้อหาอย่างที่ผมกล่าวในบทก่อนว่าในหนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านประกอบด้วยประเด็นคำถามน่ารู้ที่ทุกคนควรทราบคำตอบก่อนตาย3ข้อข้อแรกได้แก่เกิดมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรนั่นควรเป็นสิ่งที่อยู่ข้างใต้คำนำซึ่งวิธีสร้างใน t r e p a d คือคลิกที่โหนดคานาและคลิกปุ่ม note after ซึ่งตรงเนี้ยคุณคงเข้าใจความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับคําสั่ง a child note จะเป็นการเพิ่มข้อย่อยลงในข้อหลักส่วน a d note after จะเป็นการเพิ่มข้อหลักระดับเดียวกันขึ้นมาเหมือนดังเช่นที่คำำํานํากับเกิดมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรแยกกันอยู่เป็นต่างหากไม่มีข้อใดข้อหนึ่งเป็นส่วนย่อยของกันและกันเมื่อสร้างโหนด เกิดมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรเสร็จก็สร้างโหนดที่เหลือซึ่งก็คือประเด็นคำตอบอีกสองข้อได้แก่ตายแล้วไปไหนได้บ้างกับยังอยู่แล้วจะทำอะไรดีนอกจากนั้นอาจทิ้งทวนส้นหน่อยด้วยบทส่งท้ายซึ่งก็สร้างแต่ละโนดโดวยวิธีการเดิมคือคลิกปุ่ม add n o t e after ตามลำดับเมื่อได้ข้อหลักเรียงกันครบนับจากคานาไปจนถึงบทส่งท้ายแล้ว ก็เท่ากับผมได้ขอบเขตเนื้อหาของหนังสือที่ชัดเจนและปรากฏเป็นข้อเรื่องให้เห็นตามลำดับเสียด้วยนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่มีประโยชน์มากถ้าคุณรู้ว่าจะเขียนแค่ไหนอะไรมาก่อนอะไรมาหลังระบบความคิดของคุณจะเริ่มเป็นระเบียบแล้วอย่างเช่นคราวนี้เมื่อผมคิดถึงหัวข้อเกิดมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรก็จะนึกถึงเหตุและผลทางการวิบาก ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เช่นด้วยกรรมแบบใดเป็นบุญหรือเป็นบาปวิญญาณจึงอย่างลงในคันมนุษย์ได้เมื่อคิดออกก็คลิกที่โน้ตเกิดมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรและคลิก add sign node จากนั้นก็คิดชื่อข้อเรื่องย่อยเป็นเหตุใดจึงเกิดเป็นมนุษย์และเขียนใส่ลงไปใน new node นั่นเองเมื่อใส่เสร็จก็คิดต่อซึ่งต้องใช้เวลาคิดอย่างละเอียดนะครับ มันไม่ได้มาจากการนึกๆว่าจะใ ส, ใส่อะไรลงไปดีแต่ต้องหัดตั้งคำถามกับตนเองว่าเราเคยอยากรู้อะไรและได้คำตอบที่น่าเชื่อถืออันใดมาบ้างแล้วโครงเรื่องที่เกิดขึ้นจากโจทย์ที่คุณและคนอื่นอยากรู้จะน่าสนใจเสมอภายใต้ข้อเกิดมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรบรรจุอยู่ด้วยคำถามที่ถามๆกันมานานแบบกระจัดกระจายไม่ว่าจะเป็นกรรมอันเป็นที่มาของเพศ กรรมอันเป็นที่มาของความสวยความหลอ่อกรรมอันเป็นที่มาของฐานะความเป็นอยู่และกรรมอันเป็นที่มาของสติปัญญาความสามารถอันที่จริงกรรมอันทำให้มาสู่ความเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ยังมีอีกมากอย่างเช่นกรรมอันเป็นที่มาของสเสน่ดึงดูดและกรรมอันเป็นที่มาของสุขภาพดีๆและอีกมากมายแต่คืนใสไปทั้งหมดจะเยอะไป ไม่อาจจบครบถ้วนในหนังสือเล่มเดียวได้จึงคงไว้เฉพาะเหตุผลหลักๆของการมาสู่ความเป็นเช่นนี้และแทรกความรู้ปลีกย่อยอื่นๆให้รวมลงได้ด้วยกันเช่นเรื่องของเสน่ดึงดูดและสุขภาพดีๆก็เหมารวมไว้ในกรรมอันเป็นที่มาของความสวยความหล่อได้เนื่องจากเกี่ยวข้องกันอยู่ระหว่างใส่ข้อเรื่องที่ควรใส่ลงไปในส่วนของเกิดมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไร จะเสร็จหรือยังไม่เสร็จก็อาจเกิดไอเดียว่าควรใส่อะไรลงไปในส่วนของตายแล้วไปไหนได้บ้างกับยังอยู่แล้วควรทำอะไรดีคิดออกอันไหนก็เลือกอันนั้นแล้วคลิก add c h i node กันสดสดการทำงานกับ tree pad ช่วยให้คุณไม่ต้องทำงานตามลำดับแต่ได้ผลออกมาเรียงลำดับชัดเจนอย่างนี้เองหากต้องการสลับตำแหน่งข้อเรื่องใดให้ขึ้นบนหรือลงล่าง เพียงคลิกขวาที่ข้อเรื่องนั้นแล้วเลือก move และเลือก up เพื่อนำขึ้นไปข้างบนหรือ down เพื่อนำลงมาข้างล่างได้เสมอซอฟต์แวร์อย่าง tree pad ช่วยให้เห็นว่าคิดอะไรไปแล้วบ้างโดยผมไม่จำเป็นต้องเขียนใส่กระดาษนอกจากนั้นมันยังช่วยให้ผมจัดการกับประเด็นต่างๆไม่ว่าเพิ่มเข้าหรือตัดออกได้อย่างง่ายดายกว่าที่จะไปทากันบนกระดาษมากมายนัก ถ้าอยากเพิ่มข้อเรื่องใหม่เข้าไปเหนือข้อเรื่องใดก็คลิกข้อเรื่องนั้นแลวคลิกปุ่ม add n o t e before ถ้าอยากเพิ่มข้อเรื่องใหม่เข้าไปใต้ข้อเรื่องใดก็คลิกข้อเรื่องนั้นและคลิกปุ่ม add n o t e after ส่วนถ้าอยากลบข้อเรื่องใดทิ้งก็คลิกปุ่ม delete node หรือง่ายกว่านั้นคือกดปุ่ม delete บนคีย์บอร์ดเลยก็ได้ ผมจะเขียนโครงสร้างหนังสือใส่เศีกระดาษก็ได้ผลเท่ากันแต่แน่นอนว่าผมแตกประเด็นในเศีกระดาษไม่สะดวกเท่าทร e Pad และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมคงไม่อาจใส่เนื้อหาทั้งหมดของหนังสือลงในกระดาษแผ่นเดียวในขณะที่ Tree Pad ทำได้ตรงนี้คงเห็นข้อเปรียบเทียบที่ชัดเจนว่าคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ช่วยให้ชีวิตนักเขียนยุคนี้สบายกว่าชีวิตนักเขียนยุ ก, ก่อนเพียงไร หากสะดวกดาวน์โหลดมาใช้ก็ดีนะครับเป็นของฟรีที่ช่วยทุนแรงคุณได้ทุกงานไม่ว่าจะเป็นนักเขียนหรือทำสาขาอาชีพไหนการคิดอย่างมีโครงสร้างที่สืบมาจากรากอันเดียวจะช่วยให้ระบบความคิดของคุณเป็นระเบียบชัดเจนแต่ความคิดหลักออกเป็นกิ่งก้านสาขาได้โดยไม่หลงทางเขียนเรื่องใดคนอ่านก็จะรู้สึกว่าไหลรื่นไปหมด ต่อให้คุณเขียนเรื่องที่ไม่ค่อยน่าสนใจสํานวนงั้นๆอย่างน้อยคุณจะเป็นคนเขียนได้รู้เรื่องและทำให้คนอ่านไม่นึกเอื่อมระอาอยากเบือนหน้าหนีเรื่องต่อไปของคุณครับดังตรินคำว่ารยังน้อยเกินไปกับ ความห่วงใยยังไกลคำอธิบายเกินคำว่ารักเกินความห่วงใยเกินความเข้าใจไม่ใช่แค่ยิงรักกัน